อุปมาเหมือนมารดาต้องจำใจจากบุตรสุดที่รักของตัวฉันใดก็ฉันนั้นนางอยู่จำพรรษาณนะโคสิตารามซึ่งโคสิตมหาเศรษฐีสร้างถวายพระพุทธองค์สามเดือนที่อยู่ห่างพระอา น, นุนดวงจิตของนางพองแผ้วแจ่มใสขึ้นการท่องบนสาทยายและการบำเพ็ญสมณธรรมก็ดีขึ้นตามไปด้วย นางคิดว่าคราวนี้คงตัดอาไรในพระอานนท์ได้เป็นแน่แท้แต่ความรักย่อมมีวงจรของมันเองจนกว่ารักนั้นจะสิ้นสุดลงชีวิตมักจะเป็นอย่างนี้เสมอเมื่อใครคนหนึ่งพยายามดิ้นรนหาความรักเขามักจะไม่สมปรารถนาแต่พอเขาทำท่าจะหนีความรักก็ตามมาความรัก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 จะต้องตามเสด็จมาด้วยชาวโกสัมพีทราบข่าวนี้ด้วยความชื่นชมโสมนัส ภิกษุสงฆ์ต่างจัดแจงปัดกวาดเสนาสนะเตรียมพระคันธกุฎีที่ประทับของพระาศาสดาพระเจ้าอุเทนเองซึ่งไม่ค่อยจะสนพระไทยในทางธรรมนักก็อดที่จะทรงปรีดาปราโมทมิได้เพราะถือกันว่าพระาศาสดาเสด็จไปณที่ใดย่อมนำความสงบสุขและมงคลไปสู่ที่นั่นด้วยการสนทนาเรื่องการเสด็จมาของพระาศาสดา มีอยู่ทั่วทุกหัวระแหงแห่งกรุงโกสัมพีศาสดาคณาจารย์เจ้าลัทธิต่างๆก็เตรียมผูปัญหาเพื่อทูลถามบางท่านก็เตรียมถามเพื่อให้พระศาสดาจนในปัญหาของตนบางท่านก็เตรียมถามเพียงเพื่อเทียบเทียงความคิดเห็นเท่านั้นหมูพ่พิสุสงต์ปิติปราโมดเป็นอันมากเพราะการเสด็จมาของพระศาสดา ย่หมายถึงการได้ยินได้ฟังมัทุระภาสิทธิจากพระองค์ด้วยและบางท่านอาจจะได้บรรลุคุณวิเศษเมื่องสูงเพราะธรรมเทศนานั้นใครจะทราบบ้างละ ว, ว่าดวงใจของโกกีลาพิสุณีจะเป็นประการใดเมื่อบ่ายวันหนึ่งเพื่อนพิสุณีนำข่าวมาบอกนางว่านี่โกกีลาท่านทราบไหมว่า พระศาสดาจะเสด็จมาถึงนี่เร็วๆนี้อย่างนั้นหรือนางมีอาการตื่นเต้นเต็มที่เสด็จมาองค์เดียวหรืออย่างไรไม่องค์เดียวดอกใครๆก็รู้ว่าเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาจะต้องมีพระเถระผู้ใหญ่มาด้วยหรืออาจจะมาสมทบทีหลังก็ได้แต่ท่านที่ต้องตามเสด็จแน่คือพระอานนุ์พุทธอนุชาพระอานนุ์ นางอุทานพร้อมด้วยเอามือท่าบกทำไมหรือโกกิลาดูท่านตื่นเต้นมากเหลือเกินภิกษุณีรูปนั้นถามอย่างสงสัยปราดดอกกะพระเจ้าดีใจที่จะได้เฝ้าพระศาสดาและฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์ดีใจจนควบคุมตัวไม่ได้นางตอบเลี่ยงใครๆเขาก็ดีใจกันทั้งนั้นแหละโกกิลา คราวนี้เราคงได้ฟังธรรมกถาอันลึกซึ้งและได้ฟังมัุรภพาสิธิ์ของพระมหาเถระเช่นพระสารีบุตรและพระมหากระสปะหรือพระอนุนเป็นต้นภิกษุณีรูปนั้นกล่าว วันที่รอคอยก็มาถึงพระศาสดามีพระภิสุสงฆ์อรหันต์มูใหญ่แวดล้อมเสด็จถึงกรุงโกสัมพีพระราชาธิบดีอุเทนและเสนามหาอมาตย์พ่อค้าประชาชนสมณะพรามนาจารย์ถวายการต้อนรับอย่างมโหฬารยิ่งก่อนถึงซุ้มประตูโคสิตารามประมาณกึ่งโยช มีประชาชนจํานวนแสนคอยรับเสด็จมักขาดานดาดไปด้วยกลีบดอกไม้นานาพันธหลากสีที่ประชาชนนำมาโ ป, ปรยปลายเพื่อเป็นพุทธบูชาในบริเวณอารามก่อนเสด็จถึงพระคันธกุฎีมีภิกษุและภิกษุณีจํานวนมากรอรับเสด็จทุกท่านมีแววแห่งปิติปราโมทย์ ถวายบังคมพระาศาสดาด้วยความเคารพอันสูงสุดพระานนท์ตามเสด็จพระพุทธองค์ด้วยกริยาที่งดงามมองดูน่าเรื่มใสทุกคนต่างชื่นชมพระาศาสดาและพระานนท์และผู้ที่ชื่นชมในพระพระานนท์เป็นพิเศษก็เห็นจะเป็นโกกีฬาภิสุณีนั่นเองทันใดนางได้เห็นพระานนท์ ความรักซึ่งสงบตัวอยู่ก็ฟุ้งขึ้นมาอีกคราวนี้ดูเหมือนจะรุนแรงยิ่งกว่าคราวก่อนเพราะเป็นเวลาสามเดือนแล้วที่นางมิได้เห็นพระอานนท์ความรักที่ทำท่าจะสงบลงนั้นมันเป็นเหมือนตินชาติซึ่งทุกฤทิตรอนณนะเบื้องปลายเมื่อขึ้นใหม่ย่อมขึ้นได้สวยกว่ามากกว่าและแผ่ขยายโตกว่าฉะนั้น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 และเพราะความเรียกร้องของหัวใจอีกอย่างหนึ่งประการแรกแม้จะทำสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างมนุษย์ก็ไม่ค่อยจะเดือดร้อนเท่าใดนักเพราะคนส่วนมากหาได้รักหน้าที่เท่ากับความสุขส่วนตัวไม่แต่สิ่งที่หัวใจเรียกร้องนี่สิถ้าไม่สำเร็จหรือไม่สามารถสนองได้หัวใจจะร่ำร้องอยู่ตลอดเวลา มันจะทรมานไปจนกว่าจะหมดฤทธิ์ของมันหรือบรุษ์ผู้นั้นตายจากไป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 หน้าที่กับความเรียกร้องของหัวใจอย่างไหนจะแพ้จะชนะก็แล้วแต่ความเข้มแข็งของอำนาจฝ่ายสูงหรือฝ่ายต่ำผู้หญิงนั้นลงได้ทุ่มเทความรักให้แก่ใครแล้วก็มั่นคงเหนียวแน่นยิ่งนักยากที่จะถ่ายถอนและความรักที่ไม่มีทางสมปรารถนาเลยนั้นเป็นความปวดร้าวอย่างยิ่งสาหรับผู้หญิง ดวงใจของเธอจะระบมบุมหนองในที่สุดก็แตกสลายลงด้วยความชอกช้ำนั้นอณิจจาโกกีลาแม้เธอจะรู้ว่าความรักของเธอไม่มีทางจะสมปรารถนาได้เลยแต่เธอก็ยังรักสุดที่จะหักห้ามและ่ายถอนได้อีกคืนหนึ่งที่นางต้องกระวนกระวายรันจวนจิต ถึงพระอานนท์นอนพลิกไปพลิกมาในตาเมื่ลอยอย่างไร้จุดหมายนานๆจึงจะจับนิ่งอยู่ที่เพดานหรือขอบหน้าตา่างนางรู้สึกว้าเหวเหมือนอยู่่้ำกลางป่าลึกเพียงคนเดียวทำไมนางจึงว้าเหวในเมื่อคืนนั้นเป็นคืนแรกที่พระศาสดาสเสด็จมาถึงราชามหาอามาตและพ่อค้า ข้าบดีมากหลายมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเหมือนสายน้ําที่หลั่งไหลอยู่มิได้ขาดระยะมันเป็นเรื่องของผู้หญิงที่ผู้ชายน้อยคนนักจะเข้าใจและเห็นใจภิกษุณีโกกีฬาถอนสะอื้นเบาเมื่อเร่าร้อนและกลัดกลุ้มถึงที่สุดน้ําตาเท่านั้นที่จะช่วยบรรเทาความระทมขมขื่นลงได้บ้าง เพื่อนที่ดีในยามทุกข์สำหรับผู้หญิงก็คือน้ำตาดูเหมือนจะไม่มีอะไรอีกแล้วจะเป็นเครื่องปลอบประโลมใจได้เท่าน้ำตาแม้มันจะหลั่งไหลาจากขั้วหัวใจแต่มันก็ช่วยบรรเทาความอึดอัดลงได้บ้างเนื่องจากผู้หญิงถือว่าชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของความรัก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 ทุกคนจะต้องพัดพรากจากสิ่งอันเป็นเทวรักที่พอใจไม่วันใดก็วันหนึ่งพระพุทธดำรัตนี้ช่างเป็นความจริงเสียนี่กระไรแต่เธอจะพยายามหักห้ามใจมิให้คิดถึงพระอนุสักเท่าใดก็หาสำเร็จไม่เธอตกเป็น่าตุเห็นความรักแล้วยางหมดสิ้นหัวใจ รุ่งขึ้นเวลาบ่ายนางเที่ยวเดินชมโน่นชมนี่ในบริเวณโคสิตารามเพื่อบรรเทาความกระวนกระวายกลัดกรุ้มรุ่มร้อนนางเดินมาหยุดยืนอยู่ริมสระซึ่งมีบัวบานสะพรั่ง ร, รอบๆสระมีม้านั่งทำด้วยไม้และมีพนักพิงอย่างสบายเธอชอบมานั่งเล่นบริเวณสระนี้เสมอเสมอ ดูดอกบัวดูมแมลงซึ่งบินวนไปเวียนมาอยู่กลางสัตว์ลมพัดเฉยชิวหอบเอากลิ่นดอกบัวและกลิ่นน้ำคละเคล้ากันมาทำให้นางมีความแช่มชื่นขึ้นบ้างธรรมชาติเป็นสิ่งมีคุณค่าต่อชีวิตชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติมักจะเป็นชีวิตที่สุขชื่นเบาสบายยิ่ง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 ภาพณนะเบื้องหน้านางเข้ามาทำลายความสงบราบเรียบเสียโดยพลันพระอานนท์และโคสิทธมหาเศรษฐีเจ้าของอารามนั่นเองนางรู้สึกตระขันตระคอมือและลิมพิปากนางเริ่มสั่นน้อยน้อยเหมือนคนเริ่มจะจับไข้เมื่อพระอานนท์เข้ามาใกล้นางถอยหลังไปนิดหนึ่งโดยไม่ได้สํานึกว่าเบื้องหลังของนาง น บ, บัตรนี้คือสระน้ำบังเอิญเท้าข้างหนึ่งของนางเหยียบดินแข็งก้อนหนึ่งนางเสียหลักและล้มลงพระอานนท์และโคสิต์มหาเศรษฐีตกตะลึงยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นศิลาสักครู่หนึ่งจึงได้สติแต่ไม่ทราบจะช่วยนางประการใดนางเป็นภิกษณุณีอันใครๆจะถูกต้องมิได้อย่าพูดถึงพระอานนท์เลย แม้โคสิตมหาเศรษฐีเองก็ไม่กล้า ย, ยื่นมือประคองนางให้ลุกขึ้นนางพยายามช่วยตัวเองจนสามารถลุกขึ้นมาสำเร็จแล้วคุกเข่าลงเบื้องหน้าพระอานนท์ก้มหน้านิ่งด้วยความละอายน้องหญิงเสียงทุ้มทุมนุ่มนวลของพระอานนท์ปรากฏแก่โสดของนางเหมือนแววมาตามสายลมจากที่ไกล อาตมาขาออภัยด้วยที่ทำให้เธอตกใจและลำบากเธอเจ็บบ้างไหมเสียงเรีย บ, ยบแต่แฝงไว้ด้วยความห่วงใยของพระอานต์ได้เป็นเหมือนน้ำทิพย์โลมใจนางให้ชื่นบานอะไรเล่าจะเป็นความชื่นใจของสตรีมากเท่ารู้สึกว่าชายที่ตนพวางรักมีความห่วงใยในตน สตรีเป็นเพศที่จําความดีของผู้อื่นได้เก่งพอๆกับการให้อภัยและลืมความผิดพลาดของชายอันตนรักเหมือนเด็กน้อยแม้จะถูกเชี่ยนมาจนปวดร้าวไปทั้งตัวแต่พอมารดาผู้พึ่งจะวางไม้เรียวแล้วหันมาปลอบด้วยคำอันอ่อนหวานสักครู่หนึ่งและแถมด้วยขนมชิ้นน้อยๆบ้างทุกนั้น เด็กน้อยจะลืมเรื่องไม้เรียวกลับหันมาชื่นชมยินดีกับคำปลอบโยนและขนมชิ้นน้อยเขาจะซุกตัวเข้าหาอ้อมอกของมารดาและกอดรัดเหมือนอะไรอย่างที่สุดการให้อภัยกับคนที่ตนรักนั้นไม่มีที่สิ้นสุดในหัวใจของสตรีและบางทีก็เป็นเพราะอำนาจอันนี้ด้วย ที่ทำให้เธอชอกช้ำแล้วชอกช้ำอีกแต่มนุษย์ทั้งบุรุษและสตรีเป็นสัตว์โลกที่ไม่ค่อยจะรู้จักเข็ดลาบจึงต้องชอกช้ำด้วยกันอยู่เนืองๆ น, นางช้อนสายตาขึ้นมองพระอา น, นุนแว บ, บหนึ่งแล้วคงก้มหน้าต่อไปไม่มีเสียงตอบจากนางเหมือนมีอะไรมาจุกที่คอหอยนางพูดไม่ออกบอกไม่ถูกว่า ดีใจหรือเสียใจที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นน้องหญิงเสียงพระอานน์ถามขึ้นอีกเธอเจ็บบ้างไหมอาตมาเป็นห่วงว่าเธอจะเจ็บไม่เป็นไรพระคุณเจ้าเสียงตอบอย่างยากเย็นเต็มทีเธอมาอยู่นี่สบายดีหรือพอทนได้พระคุณเจ้า แม่นางต้องการอะไรเกี่ยวกับปัจจัยสี่ขอให้บอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปรวรณาไว้ท่านเศรษฐีพูดขึ้นบ้างแล้วพระอานนท์และโคสิตเศรษฐีก็จากไปนางมองตามพระอานนท์ด้วยความรังจวนพิศวาสนางรู้สึกเหมือนอยากให้โลหกล้มวันละห้าครั้งถ้าการหกล้มนั้นเป็นเพราะเธอได้เห็นพระอานนท์ อันเป็นที่รักนางเดินตามพระ อ, อนุนไปเหมือนถูกสะกดความรักทำให้บุคคลทำสิ่งต่างๆอย่างครึ่งหลับครึ่งตื่นครู่หนึ่งนางจึงหยุดเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้แล้วเหลียวหลังกลับสู่ที่อยู่ของนาง นางกลับสู่พิกุลูปัสยะที่พักของพิสณีด้วยหัวใจที่เศร้าหมองความอยากพบและอยากสนทนาด้วยพระอ น, นุนั้นมีมากสุดประมาณบุคคลเมื่อมีความปรารถนาอย่างรุนแรงย่อมคิดหาอุบายเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ปรารถนานั้นเมื่อไม่ได้โดยอุบายที่ชอบก็พยายามทำโดยเล่กลมานยา แล้วแต่ความปรารถนานั้นจะสำเร็จได้โดยประการใดโดยเฉพาะความปรารถนาในเรื่องความรักด้วยแล้วย่อมหันเหบิดเบือนจิตใจของผู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันให้กระทำได้ทุกอย่างพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเมื่อใดความรักและความหลงครอบงำจิตเมื่อนั้นบุคคลก็มืดมนเสมือนคนตาบอด นางปิดประตูกุฏินอนเหมือนคนเจ็บหนักพิษุณีผู้อยู่ห้องติดกันได้ยินเสียงคลางจึงเคาะประตูเรียกท่านเป็นอะไรไปหรือโกกีลาสุนันทาภิษุณีถามด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นไรมากดอกสุนันทาปวศีรษะเล็กน้อยแต่ดูเหมือนจะมีอาการไข้ตะขั้นตะครอ เนื้อตัวหนักไปหมดโกกิลาตอบฉันยาแล้วหรือเรียบร้อยแล้วเออมีอะไรจะให้ข้าพเจ้าช่วยท่านบ้างไม่ต้องเกรงใจนะข้าพเจ้ายินดีเสมอมีธุระบางอย่างถ้าท่านเต็มใจจะช่วยเหลือก็พอทำได้โกกิลาพูดมีแววแช่มชื่นขึ้นมีอะไรบอกมาเถิด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 ข้าพเจ้าอยากฟังโอวาทท่านเวลานี้ข้าพเจ้ากำลังป่วยชีวิตเป็นของไม่แน่พระพุทธองค์ตรัสไว้ไมิใช่หรือว่าความแตกดับแห่งชีวิตความเจ็บป่วยการเป็นที่ตายสถานที่ทิ้งร่างกายและคติในสัมปรายภพเป็นสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายใครๆรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอท่านอาศัยความอนุเคราะห์ เกื้กูลแกข้าพเจ้าว่าโกกิลาภิสุณีข อ, อนมัสการท่านด้วยเสียงกล้าวเวลานี้นางป่วยไม่สามารถลุกขึ้นได้ถ้าพระคุณเจ้าจะอาศัยความกรุณาไปเยี่ยมไข้จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่นางหาน้อยไหม เวลาบ่ายมากแล้วความอบอ้าวลดลงบริเวณอารามซึ่งมีพันไม้หลากหลายดูร่มรื่นยิ่งขึ้นนกเล็กๆบนกิ่งไม้วิ่งไล่เล่นกันอย่างเพลิดเพลินบางพวกร้องทักทายกันอย่างสนิทสนมและชื่นสุกดิรัตฉานเป็นสัตว์โลกที่มีความรู้น้อยและความสามารถน้อย มันมีความรู้ความสามารถแต่เพียงหากินและเรบลีกภัยเฉพาะหน้าแต่ดูเหมือนมันจะมีความสุขยิ่งกว่ามนุษย์ซึ่งถือตนว่าฉลาดและมีความสามารถเหนือสัตว์โลกทั้งมวลเป็นความจริงที่ว่าความสุขนั้น ขึ้นอยู่กับความพอใจมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในเพศไหนและภาวะอย่างใดถ้าสามารถพอใจในภาวะนั้นได้เขาก็มีความสุขคนยากจนหาเช้ากินค่าอาจจะมีความสุขกว่ามหาเศรษฐีหรือมหาราชผู้เร่าร้อนอยู่เสมอเพราะความปรารถนาและทยานอยากอันไม่รู้จักสิ้นสุด มนุษย์เราจะมีสติปัญญาฉล า, าดปานใดก็ตามถ้าไร้เสียแล้วซึ่งปัญญาในการหาความสุขให้แก่ตนโดยทางที่ชอบเขาผู้นั้นควรจะทะนงตนว่าฉล า, าดกว่าสัตว์หรือมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะปล่อยให้ความอยากความดิ้นรนออกหน้าแล้ววิ่งตามเหมือนวิ่งตามเงาของตนเองในเวลาบ่ายยิ่งวิ่งตามก็ยิ่ง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 ความสุขก็จะเกิดขึ้นเองเหมือนผู้ปรารถนาความสุขความเจริญแก่ประเทศชาติถ้าปราบเสี้ยนานามและเรื่องร้ายในประเทศมิได้ก็อย่าหวังเลยว่าประเทศชาติจะเจริญและผาสุขหรือเหมือนคนผู้ปรารถนาสุขแก่ร่างกายถ้ายังกําจัดโรคในร่างกายมิได้ความสุขกายจะมีได้อย่างไรแต่ ถ้าร่างกายปราศจากโรคมีอนามัยดีความสุขกายก็มีมาเองด้วยประการฉนี้ปรชญาเถราวาดจึงให้หลักเราไว้ว่ามองทุกให้เห็นจึงเป็นสุขอธิบายว่าเมื่อเห็นทุกกาหนดรู้ทุกและค้นหาสมุดฐานของทุกนั้นเสียเหมือนหมอทาลายเชื้ออันเป็นสาเหตุแห่งโรค ยิ่งทุกข์ลดน้อยลงเท่าใดความสุขก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นความทุกข์ที่ลดลงนั่นเองคือความสุขเหมือนทัศนะทางวิทยาศาสตร์ที่ถือว่าความเย็นไม่มีมีแต่ความร้อนที่ลดลงถึงที่สุดก็กลายเป็นความเย็นที่สุดความสุขนั้นมีขึ้นตามขั้นแห่งความทุกข์ที่ลดลงคาสอนทางาศาสนาเมื่อว่าโดยในหนึ่ง จึงเป็นเรื่องของศิลปะแห่งการลดทุกข์นั่นเอง พระอานน์ได้รับคำบอกเล่าจากสุนันทาภิษุณีแล้วให้รู้สึกเป็นห่วงกังวลถึงโกกิลาพิษุณียิ่งนักท่านคิดว่าหรือจะเป็นเพราะนางหกล้มเมื่อบ่ายนี้กระมังจึงเป็นเหตุให้นางป่วยลงอนิจจาโกกิลาเธอรักเราเราหรือจะไม่รู้แต่เธอมาหลงรักคนที่ไม่มีหัวใจจะรักเสียแล้ว เหมือนเด็กน้อยผู้ไม่ประสาต่อความตายนั่งร่ำร้องเร่งเราคบคำตอบจากมารดาผู้นอนตายสนิทแล้วช่างหน้าสงสารหน้าสังเวชเสียนี่กระไรผู้หญิงมีความอ่อนแอทั้งด้านร่างกายและจิตใจพระศาสดาจึงกีดกันนักหนาในเมืองแรกที่จะให้สตรีบวชในศาสนาทั้งนี้เป็นเพราะ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 พระอานนท์มีพระรูปหนึ่งเป็นปัจฉาสมณะไปสู่สำนักพิษุณีเพื่อเยี่ยมไข้แต่เมื่อเห็นอาการไข้ของโกกีฬาภิษุณีแล้วความสงสารและกังวลของท่านก็ค่อยๆ ค, คลายตัวลงความฉลาดอย่างเลิศล้ำของพระพุทธอนุชาแทงทะลุความรู้สึกและเครัญญาการของนางท่านรู้สึกว่า ท่านถูกหลอกท่านไม่เชื่อเลยว่านางจะเป็นไข้จริงแต่เอาเถิดพระอนุนารบกับตัวท่านเองโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีเหมือนกันที่จะแสดงบางอย่างให้นางทราบเพื่อนางจะได้ละความพยายามเลิกรักเลิ่มุกมุ่นในโลกียวิสัยหันมาทำความเพียรเพื่อละสิ่งที่ควรละ